ก็เร็วนะอยากให้พระอาจารย์เลตาย้ำเรื่องการสวดมนต์อีกค่ะเจ้าค่ะเหมือนชาวตลาดยังคงคิดว่าการไปสวดมนต์ก็เป็นพิธีที่ชาวพุทธต้องไปทำาออ๋ออออ๋อวันนี้เลยอยกจะเลตาย้ำเรื่องการสวดมนต์ การสวดมนต์เนี่ยไม่รู้วันนี้เอาสาธยายมาให้พวกเราหรือเปล่าก็เรื่องเนี้ยที่ได้ทำเอาไว้น่ะสวดมนต์ได้ประโยชน์อะไรประโยชน์ของของการสาธยายทำ หรือที่เรียกว่าสัจชายะเนี่ยศาสดาเรานะบัญญัติไว้เนี่เท่าที่บัญญัติไว้ประมาณเจ็ดพัสนดะอั น, นี้เอามา <c oughs> ให้ดูในบทที่สำคัญสำคัญนะที่พระ อ, องค์บอกเนี่ยหนึ่งเพื่อความตั้งมั่นของพระสัทธธรรมนะเหตุแห้ความตั้งมั่นของของคำสอน สัตธรรมเนี่ยคืออะไรคือคำสอนของตถาคตจะได้ตั้งมั่นเพราะพวกเราจะได้ทรงจำคำตถาคตนะอ่าเมื่อทรงจากันได้เนี่ยคำตถาคตจะได้ตั้งมัน่นดังนั้นอันดับแรกเนี่ยถ้าเราไปสวดคำคนอื่นเนี่ยคำคนอื่นจะตั้งมั่นนะนี่คือปัญหาอันดับแรกเนี่ยเราต้องเช็คก่อนว่าบทสวดเนี่ยเป็นบทที่คนแต่งขึ้นใหม่หรือว่าเป็นคาตถาคต อ่าอันนี้เพราะเหตุปัจจัยของการสาธยายธรรมบาลีใช้คำว่าสัจชายะดังนั้นโยมสวดๆวดเนี่ยเอ๊ะใครเป็นคนกำหนดเรื่องนี้ขึ้นพระศาสด า, า, าพูดมาสอง0กว่าปีนสมัยที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยบอกอย่างนี้เพื่อความตั้งมั่นแห่งพระสัตธรรมเป็นหนึ่งในเหตุห้าประการเพื่อความตั้งมั่นของพระสาาาัตรรมอย่างที่สองเป็นเครื่องใหถึงบมุต อันนี้ก็อยู่ในส่วนของทําให้ถึงวิมุตห์5ประการมีอะไรบ้างแสดงธรรมแก่ภิกสุแสดงธรรมแก่ค า, ารวานนะแล้วก็ข้อที่3มก็คือตัวเนี่ยสัจชา ย, ยะคือการสาธยายธรรมข้อที่4คือการคิปติดตรึกในธรรมแล้วก็อันที่5ก็คือการเข้าชาน1 2 3 4ใน5วิธีที่จะเข้าถึงวิมุตเนี่ย หนึ่งวิธีนั้นก็คือการสวดมนต์หรือการสาธยายธรรมหรือสัจชาย ะ, ะก็ย้อนกลับเข้าไปอีกว่าสัจชายะในคำของใครก็คือในข้อที่หนึ่งก็คือคำตถาคตนั่นเองเสัจชายะในพระสัทธรรมของตถาคตไม่ใช่ของใครเพราะธรรมวินัยนี้เป็นของตถาคตพระพุทธเจ้าของเราเองอยู่ไม่ใช่ของคนอื่น นะในข้อที่สามเนี่ยเป็นอาหารของความเป็นผู้หูสุดยังจะรู้ธรรมศาสดามากเนี่ยก็คือจะต้องมีการสั จ, จยะทุบทวนน ะ, ะท่องบนเรื่อยๆตัวเนี้ยจะเป็นอาหารของความเป็นผู้หูสุดดังนั้นนี่คือประโยชน์ของการที่เราไปสวดมนต์ อันต่อไปเป็นองค์ประกอบของการเป็นบริษัทที่เลิศ <c oughs> บริษัทที่เลิศเลิศเพราะอะไรเลิศเพราะศึกษาคําตถาคตแต่ <c oughs> <c oughs> ถ้าพวกเราไปสวดหรือนั่งศึกษาคําคนอื่นยมจะเป็นคนที่เลิศในคําตถาคตได้ไหมไม่ได้ยมจะเลิศในคําของสาวกยมจะเลิศในคําที่คนแต่งขึ้นใหม่ ดังนั้นโยมจะจําคําที่แต่งขึ้นใหม่ได้หมดเลยแต่โยมจะจําคําตถาคตไม่ได้นี่คือปัญหานะที่เป็นกันอยู่เกือบทุกที่เลยดังนั้นถ้าโยมจะไปสวดมนต์นี่โยมต้องหยิบพุทธวจนะไปสวดนี่โยมต้องหยิบพุทธวจนะไปสวดนี่ทุกเล่มอย่างนี้นะไม่ใช่สวดบทที่เขาหยิบมาให้โยมแล้วโยมก็ไม่รู้ว่าของแท้หรือของปลอมแล้วก็ นั่งสวดกันไปกลายเป็นเราไปทรงจําคําที่คนแต่งขึ้นใหม่ถามว่าใครแต่งขึ้นในนั้นในนี้แต่งขึ้นบ้างเยอะแยะเลยยังลองดูบทสวดต่างๆเนี่ยนะหลายบทที่หาต้นต่อไม่ได้ไม่รู้ใครแต่งหาต้นต่อได้ก็มีนะว่าพระรูปนี้แต่งคารวาสคนนี้แต่งนะเจ้าคนนี้แต่งนะใครมี p o อร์ใน ยุค น, น, นั้นก็แต่งขึ้นมาเก่งบาลีเป็นบาลีเขียนได้ตกลงแล้วโยงมกำลังทรงจำและศึกษาและปกป้องนะด้วยการรักษาคำพูดของใครแต่ไม่ใช่สัมมาสัมพุทธะนี่นี่คือปัญหานะ <c oughs> อันต่อไปทำให้ไม่เป็นมลนทินนะ มลทินในพระสัตธรรมมลทินในส่วนของการประพฤติปฏิบัติของเราที่มีสิ่งที่ปลอมปลนนะที่ไม่ถูกต้องเนี่ยเข้าไปในพระสัตธรรมของาศาสดาเราอันที่หกเนี่ยเป็นบริขารของจิตเพื่อความไม่มีเวรไม่เบียดเบีย น, นอันที่เจ็ดเป็นเหตุให้ละความง่วงได้นี่คือเจ็ดพสูตรที่ ซาสดาของเราเองเป็นผู้บัญญัติเอาไว้เมื่อ 2,500 กว่าปนะีข้อมูลทั้งหมดนี้ก็คืออยู่ในบาลีเสียมละซึ่งเกิดมาก่อนพวกเราทุกคนทั้งหมดเลยนะนั้น <c oughs> ให้เราทราบที่มาที่ไปของการสัตยายทรรนะ มีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการสาธยายอีกนะ <c oughs> การที่จะสาธยายให้แจ่มแจ้งได้นานไม่ฟุ้งซ่านไม่ถูกเหี่ยวรั้งย่อมรู้ย่อมเห็นอุบายเป็นเครื่องสลัดออกซึ่งนิบอนทั้ง5้านะทำให้รู้เห็นประโยชน์ตามที่เป็นจริงอีกอย่างหนึ่งก็คือภิกษุทาการสาธยายทำตามที่ได้ฟังได้เรียนมาโดยพิสดารพิสดารคือละเอียด แต่เธอไม่รู้ทั่วถึงไม่รู้ทั่วถึงความหมายอันยิ่งแห่งธรรม น, น, นันนันด้วยปัญญาคือไม่เข้าใจข้อความที่ตนเองกําลังสาธยายไม่รู้สาธยายมันหมายถึงอะไรก็นั่งตะโกนไปเรื่อยอ่อนออกเสียงอย่างเดียวเลยนะไม่ได้เข้าใจความหมายภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้มากด้วยการสวยดยังไม่ใช่ธรรมวิหารี เป็นนักสวดไม่ใช่ผู้อยู่ด้นะวยธรรมก็คือสวดมันไปอ่ะสวดมันไปแต่ไม่เข้าใจอะไรก็ได้แต่สวดไปเฉยๆซึ่งแต่ก่อนเราก็เคยเป็นอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้เราก็ต้องปรับใหม่ดังนั้นนี่พระศาสดาเราสอนอย่างนีนะ้นี่คือโยมเสมือนหนึ่งได้ยินต่อหน้าพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะว่าเราไม่ได้ตัดทอนอะไร ในคำของท่านเราไม่ได้ใส่ความเห็นล้วยกคำพูดของผู้เจ้าเข้ามาน ะ, ะให้โยมได้ซาได้ยินได้ฟังกันและอีกมุมหนึ่งพระองค์บอกว่าเธอไม่ใช้วันทั้งวันให้เปลืองไปด้วยการเรียนธรรมนั้นไม่เลิดร้างจากการหลีกเล่นประกอบตามซึ่งทมเป็นเครื่องสงบใจในภายในหนึ่งๆภิกษุอย่างนี้แลชื่อว่าธรรมวิหารีผู้อยู่ด้ธรรม เมื่อสวดแล้วเนี่ยยมจะต้องนั่งสมาธิอย่าเลืตอร้างห่างจากการหลีกเล่นภาวนาจะต้องปฏิบัติภาวนาด้วยนั่งสมาธิเดินโยงกลมอย่างนี้ไนะม่งั้นก็จะเป็นผู้มากด้วยการสวดนะไม่ใช่ธรรมวิหารีนี่คือคำเตือนของศาสดาเราเนะกีก่วกเลืสัจชายาสวดมนต์อาจารย์ขอโอกาสค่ะถ้าอย่างนั้นการที่ <c oughs> คือสองพปีณวันนี้เนี่ยสาวกของพระตถานโคศได้มาปรุงแต่งการสวดมนต์ด้วยการเสียงลาดยาวหรือเสียงเพาะเหมือนกับเพลงอะไรต่งางๆก็ทําให้การสวดมนต์วันนี้ไม่สําเร็จประโยชน์เหมือนอย่างที่พระอาจารย์ได้พูดมากกกกกใช่ใช่เพราะว่าไปคิดแต่เสียงเสียงเพาะหรือไปติดเสียงใช่ไหมจังคะเอ๊ะ ท่านมักดูในอริินันยมีมัที่ว่าโทษของการขับเสียงยาวพรนะ <c oughs> เจ้าจะจะบอกโทษของการสวดมนต์ด้วยการขับเสียงยาวนะการขับทําด้วยเสียงยาวจะมีโทษนะตนเองก็กาหนัดในเสียงของตนเองผู้อื่นก็กาหนัดในเสียงนะก็ห่างจากสมาธิสมาธิเคลื่อน จะมีโทษหลายอย่างอทษทางทางกายคือหมายถึงว่าถ้ า, ถาหากการสวดมนต์ด้วยเสียงยาวจนเกิดความเคยชิ น, นี้ทําให้สติของคนผู้นั้นเนี่ยไปอยู่กับทำนองท่ยงทําน อ, นองนอนนอนไม่ได้อยู่กับตัวเองถูกต้องไปอยู่กับเสียงกับท่วงทานองก็คือเลื่อร้างจากการทําความเพียร <c oughs> ใช่มันคิดว่าตัวเองได้ประกอบความเพียรเป็นอย่างดี มันจะห่างจากสมาธิเพราะโดยปกติเสียงเป็นอุปสรรคต่อปฐมฌานะ <c oughs> <c oughs> นะนีพอพอขับทําเสียงยาวไปเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเรามีปิติสุขจากจากเสียงนะแต่ไม่ได้มีปิติสุขอันเกิดจากความเข้าใจในธรรมเป็นอย่างนี้ นี่คือมุมต่างนะบางทีเราฟังเสียงสวดมนต์นอนฟังไปเอาเพราะดีจัจนะสึกชื่นใจแต่นั้นเป็นความชื่นใจจากเสียงนะอ่าพระองค์บอกอย่างนี้ ทรงห้ามไปดูฟ้อนรำขับร้องหรือการบรรเลงดนตรีทรงห้ามสวดขับทาด้วยเสียงขับยาวปรับอบัตทุกกฎและทรงแสดงโทษ5ประการของพิสูจน์ผู้สวดทาด้วยเสียงขับยาวคือ1แม้ตนเองก็กำหนัดในเสียงนั้น 2. แม้ผู้อื่นก็กำหนัดในเสียงนั้นพอใจนะั่นเองเกิดความพอใจในเสียงบันเทิงในเสียง สวดไปเพราะดีนะแม้ข้าบาีทั้งหลายก็ตำหนิมเมื่อภิกษุพอใจในการทำเสียงความเสื่อมแห่งสมาธิย่อมมีเพราะเสียงคืออุปสรรคของสมาธิในขั้นที่หนึ่งเลยยมจะเข้าสมาธิไม่ได้ภิกษุรุ่นหลังจะพากันทำตามอย่างนะอ่ นั่นนี่คือโทษของการขับทมด้วยเสียงยาวนะให้เราทราบไว้ว่ า, าศาสดาเราเนี่ยห้ามทำอย่างนี้นะดังนั้นเวลาโยมสาธยายทำสัจชายาก็อ่านธรรมดานี่แหละนะนั้นอย่างโยมจะท่องปฏิจจสุบารหรือกฎอิทัพยตานะอิมัสมิงสติอทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีล้วก็อุธรรมดานี่แหละนะ นะอิมัสสุ ป, ปาธาอิทังอุปชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมสมิงอสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอิทังนิรุชติเพราะการดับไปแงสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนะีพระตถาคตสวดตรงนี้ไม่รู้ว่าที่เขาไปสวดปอนเขาสวดตรงนี้หรือเปล่าไม่มีเห็นนะกลายเป็นว่าเราไม่ได้ทรงพระสัทธธรรมเอาไว้นะ นี่เป็นประเด็นที่สําคัญมากว่าเรากำลังไปทรงธรรมะของใครนะโยมต้องตรวจดีๆนะเดี๋ยวอ่านไปอ่านมาไปทรงธรรมะของลัทธินะั้นลัทธินี้นะนั่นนี่กำลังเอาข้อมูลในบาลีสยามรัทธนะข้อมูลทางพุทธศาสนาที่เก่าที่สุดในโลกมาให้โยมได้เห็นอย่างนั้นนี่เป็นกฎอิทธปัจยตานะสีบรรทัดเองนะ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 นี่โยมต้องสรวจปฏิจจสมุป า, าสศาสดาโยมสรวจเนี่ยโยมไม่สรวจเองใช่ไหมอ่านะและนี่คืออริสสีสิ่งที่ศาสดาตรัสรู้นะโยมท่องสิ่งที่พุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ดีล่ะศาสนาดำรงอยู่ได้เพราะอะไรเพราะคําสอนศาสดาอริสสียังอยู่ศาสนาก็ยังอยู่ ถ้าเกิดในประเทศเนี่ยไม่มีคำสอนสาศาสดาเลยมีแต่คำที่คนแต่งขึ้นใหม่ทุกวัดเลยเป็นยังไงเยอะมันจะเกิดอะไรขึ้นเ น, นี่ยคำสอนแท้ๆของผู้เจ้าหาไม่เจอและอืมแล้วนี่เป็นเรื่องสำคัญนะมันอาจจะเรียกอะไรปฏิวัติปฏิรูปอะไรกันนิดหน่อยนะแต่มันเป็นของแท้ไม่มีใครอยากได้ของปลอมนะ เหมือนมาคันทิยะเนี่ยตาบอดแต่กําเนิดมีบุรุษคนหนึงก็บอกว่าอะมาคันทิยะนี่ผ้าขาวเนื้อดีนะสีขาวอย่างดีเลยมาคันธิยะตาบอดก็โ อ, อ้มโนผ้าไปนี่ผ้าขาวอย่างดีนะพอหมอมาทําการผ่าตัดทําตาให้ดีปรากฏว่าเป็นผ้าเปื้อนขมูนเปื้อนขมเมาเปื้อนฝุน่นโสกรปรกมากเลย เนี่ยเรากําลังเข้าใจผิดเนี่ยเหมือนมาคันทียะนะนะฮกําลังคิดว่าโอ้ฉันกําลังส่งคําพระศาสด า, านะเราก็สวดกันใหญ่เ น, นี่ยปรากฏว่าอ๋อนี่นายกอแต่งขึ้นอ๋อไปทรงจําคำนายกอนี่เองเสียท่าไปซะแล้วน ะ, นะแต่คนที่แต่งขึ้นก็คือคนมีชื่อเสียงในแต่ละยุคของประเทศ น, ะน่ะจ๊ะนะ คนที่มีชื่อเสียง <c oughs> เป็นระดับชนชั้นปกครองของแต่ไม่ใช่ไม่ใช่แม้แต่สมณะและไม่ใช่เป็นอริยะบุคคลด้วยขนาดอริบุคคลพู้เจ้ายังไม่ให้บัญญัติเลยนะนั้นถ้าโยมช่วยกันเปลี่ยนได้ก็ดีอาตมาว่าไม่ได้เปลี่ยนเพื่ออาตมาเปลี่ยนเพื่อพระพุทธเจ้าเพื่อศาสดาของตัวเองแล้วเราก็จะมาส่งคำศาสดาของเราไว้นะ แต่ตรงนี้ก็ว่าไปก็เปลี่ยนยากนะโยมนะขณะนัตมาไปบรรยายหลายๆที่ก็ก็ยังหยิบหนังสือสวดมนตน์เก่าๆของเขามานั่นแหลนะนะแปลกไหมขณะบอกนี่คําศาสนาคุณนะนี่คําแต่งใหม่นะนั้นเดี๋ยวดิฉันขอส่งจําคําที่แต่งใหม่ต่อไป <c oughs> เออมันก็แปลกนะ อ, อ, อไม่ทิ้งของเก่าใช่ไหมแสดงว่ารักตถาคตพอประมาณรักนิดหน่อยรักคนอื่นมากกว่าอืมใช่ไหม ต้องเพิ่มความรักในศาสดาตนเองให้มากขึ้นนะะโนนยมต้องรักผู้เจ้าให้มากถ้าโยมรักและศรัท ธ, ธาผู้เจ้ามากเนี่ยโยมอยากจะไปแตะคาคนอื่นไหมไม่ไม่ใช่พระสัทธธรรมไม่ใช่คําผู้จากปากตถาคตโยมจะไปเอาทําไมใช่ไหมอตาตมาเขเคยสวดแบบของโยมมาสวดโน้ตสวดนีสน่สวดจิปาถะตามาเลิกหมดแล้วแต่โยมยังไม่เลิกเลยใครเลิกได้ก่อนแค่นั้นเองอะ่ะใช่ไหมอ่า แต่ก่อนอาตมาก็เคยแจกหนังสือสาวกอาจารย์นี้หลวงปู่นี้หลวงพ่อนี่โอ้โหแจกเนี่ยนี่โยมต้องอ่านหลวงพ่อนี้เก่งมากเลยอาจารย์นี้เก่งมากเลยเดี๋ยวนี้เลิกแจกหมดแล้วแจกแต่พระตถาคตเก่งที่สุดคนนี้นะเป็นอาจารย์ของภิกษุทั้งโลกเนี่ยเป็นคนแรกเลยที่สร้างภิกษุขึ้นมาในโลกนี้เพียงแต่เราไม่ได้เข้าไปนั่งอ่านนั่งศึกษาคาของพระองค์เท่านั้นเอง ความผูกพันของเรากับผู้เจ้าจึงยังไม่เกิดขึ้นนี่ปัญหาคือตรงนี้แต่ถ้ายมได้อ่านคำผู้เจ้าเนี่ยอ่านไปเรื่อยๆอ่านไปยมจะเกิดความผูกพันกับพระพุทธเจ้ายมใช้คำสอนของใครคาสอนนั่นแหละคืออาจารย์ของเราเ <c oughs> นี่ยอมนั่งอ่านคำอาจารย์คำสาวกแต่คำผู้เจ้าไม่อ่านใช่ไหมถ้าผู้เจ้านั่งอยู่ตรงนี้ ทุกคนอย่ามานั่งฟังอะไมานัไปฟังพระพุทธเจ้านะเพราะสารีบุตรอยู่ผ้านอนอยู่พุณเจ้าเดินมาเลยหยุดหมดฟังพระพุทธ เ, เ, เจ้าเาาใช่ไหมอู้เขาเคารพพระเจ้าจนกันจะตายใช่ไหมอ่าเหมือนกันนะดังนั้นความเคารพในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะโยมต้องรู้ว่าใครมาเบอร์หนึ่งคือพระพุทธเจ้านะเป็นอย่างนี้ นี่ก็เรื่องของการสาธยายธรรมจริงๆโยมจํเนี่ยตรงนี้โยมไม่ต้องสวดอะไรมากเลยนะสวดปฏิจจสุบาทสายเกิดกับสายดับสวดอย่างผู้เจ้าสวดเนี่ยตรงนี้โยมแตะโสดาบันไดเลยนะเนี่ยนะเพราะคนที่รู้และเข้าใจเรื่องปฏิจจสุบาทตรงเนี้ยผู้เจ้าจะเรียกว่าได้ยานวัตถุ44หรือยานวัตถุ77 เวลาเราเกิดความสุขทุกความอยากขึ้นมามันจะตรงกับปฏิจจสุบาทโยมจะนึกขึ้นมาได้เลยว่าผู้เจ้าบอกว่าเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตัณหาโอ้เราอยากตรงนี้เพราะว่าเราพอใจตรงนี้มันจะเห็นอาการในจิตของตงนเองเห็นนะคนที่เห็นอาการในจิตตรงเนี้อริบุคคลนะโยมกําลังเข้าสู่ภูมิธรรมอริบุคุณละเห็นนะอ่าดังนั้นนี่เนื้อแท้อยู่ตรงนี้ส่วนตอกย้ํา ทุกวันนี้จำได้ไหมเราไปนั่งสวดกันตลอดเป็นระยะแต่ปรากฏวันเนื้อแท้ไม่รู้แค่สิบกว่าบรรทัดเองโยมเนี่ยสิบกว่าบรรทัดท่องไม่ถึงสิบนาทีก็เสร็จนะสายเกิดสายดับกดอิทับปัจจะตา <c oughs> ยังลองดูว่าปฏิจจสุบารเนี่ย <c oughs> มันประกอบด้วยอิทับปัจจยะตาแต่ละคู่แต่ละคู่เรียงร้อยกันต่อมา ลองไปดูกฎอกทับปิยะตาอาตมาถึงอยากให้ให้พวกเราจำได้จำตรงนี้ให้ได้สี่บรรทัดเองอ่าฮะอือฮืออ่าฮะว่าที่จะสมบูรบาทนะฮะคือว่าก็น่าจะท่องกันนะคะแต่ว่าเราเข้าไปดูว่ายังไงหล่ะ คำว่ uh huh. าสังขารเนี่ ย, าย uh huh. การงานคนทั่วไปบางคนส่วนใหญ่ไม่ทราบว่าสังขารคืออะไรไม่มีใครทราบเราโยมสายปฏิจจะจำก่อนจําก่อนอันดับแรกจําก่อนโยมจําไม่ได้แล้วจะเอาไปไข่ควรได้อย่างไรพ<ะ>ระพุทธเจ้าให้จําได้ก่อน<ะ>ถูกต้องยังไม่มีใครรู้หรอกจําไปก่อนอันดับแรกดังนั้น การรู้ตามซึ่งเสด็จธรรม12ขั้นตอนมีหลายผู้เจ้าบอกหนึ่งศรัทธาเข้าไปหาเข้าไปนั่งใกล้เนี่ยบสงบฟังซึ่งทำก่อนแล้วทรงจําเอาไว้แล้วถึงจะเอาไปใไข้ควรพิจารณาเนื้อความที่ตนทรงจําไว้เข้าใจไหมดังนั้นโยมไปสัพชายะเพื่ออะไรเพื่อทรงจําจําไปก่อนจําไปจําไปจําไปจากนั้นเวลาอาตมาจะอธิบายหรือมีใครมาอธิบายโยมจะได้นึกขึ้นมาได้อยู่ในใจ คือต้องคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นเข้าใจมใเป็นขั้นตอนอย่างนี้อ่อออาก็อย่างนี้ประมาณีอ <c oughs> ว่าคนาแตสือมากหลายต้องการที่จะตีความหมายตรงนี้ให้ไตีแล้วไปตีผิดนะ่ะแล้วไปตีผิดแล้วคนก็ไปทรงจาข้อผิดอีถูกต้องพรเจ้าเรียกสาวกภาสิตา สาวกภาสิทธิ์ขึ้นในคำที่สาวกภาสิทธิขึ้นเนี่ยพระธาคตสั่งว่างไงอย่างเงี่ยหูฟังอย่าตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงอย่าไปสำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนนะศาสดาสั่งไว้อย่างนี้แต่ฉันก็นั่งท่องกันจังเลยเห็นหมเนี่ยเพราะไปคิดเองว่าโอ้ยเขาคงอธิบายได้ดีนะอธิบายคำาั้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าอธิบายดีที่สุดแล้ว พระองค์ได้ทรงขยายความในตรงนี้ไว้ในพระสูตรต่างๆละเอียดละออถี่ถ้วนครบสมบูรณ์หมดเลยทำไมไม่ไปศึกษาลงรายละเอียดในคำสัาดาที่อธิบายตรงนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้ต่างหากไม่ใช่ไปวิ่งหาคำที่คนอื่นมาอธิบายใช่ไห ม, อ, มอยู่กับผู้เจ้าต้องถามผู้เจ้า ยมถ้าโยมพูดว่าอ่านพระตถาคตก็ผิดแล้วเพราะพระตถาคกมันจะมีสองส่วนในเมื่อโยมยังไม่แยกพุทธพจนะกับสาวกภาสิทธ์ออกจากกันฉนั้นถ้าโยมพูดว่าเออดิฉันอ่านพุทธวจนะที่อยู่ในพระตถาคกนะโอเคถ้าโยมบอกอ่านพระตถาคกแสดงว่าโยมยังไม่ได้แยกข้อมูลและโยมก็ไปนั่งอ่านสาวกภาสิทธ์ที่อยู่ในพระตถาคกปัญหาจึงเกิดขึ้นนี่งไองอ่าเนื้อคำต้องฟังภาษาอือ นะฮะเพราะมันไม่ใ huh. ช uh ่ภาษาปัจจุบันที่เราพูดกันอยู่ในไทยน้อยกว่าฮมันเป็นอาการลิโกยมมันเป็นอาการลิโกใช้ได้ตลอดการเลยอ่ายังต้องกลับไปดูอีกทีว่าโ ย, ยมอ่านคําสาวกหรือคําพระพุทธเจ้าก่อนเพราะโยมมาต่อว่าคําพระเจ้าอย่างนี้อาตมาไม่เชื่อเพรอ่อตมาก็ศูนย์มาไม่รู้เรื่องอะไรอ่านยังเข้าใจเลยใช่ไหมอ่า uh huh. แต่อาตามาคเคยอ่านเนี่ยแบบโยมนะโอ้อ่านพระธรรดกไหนเขาบอกพระธรรมดกนั่งอ่านอยู่สัปดาห์หนึ่งไม่รู้เรื่องเพราะตอนนั้นอาตมาไม่รู้จกักพุทธวจนะไปนั่งอ่านคำสาวกโอ้หอะไรมันพูดกันไรกัไม่รู้เรื่องยาวเหย็ดไอ้ตัวสาวกนั่นมันตัวไม่รู้เรื่องโยมรู้ไหมอ่าไอ้ตัวแต่งขึ้นละตัวไม่รู้เรื่องนี่และอืมออือ นั่นแหละตัวผิดเลยผิดบานเลยขัดกับพระพุทธเจ้าเต็มเลยนะนัตมาพี่อ่านมาแล้ว น, น, น, นะนั่นแหละยิ่งหักยิ่งผิด ใ, ใช่เข้าใจง่ายแต่เข้าใจผิดนี่แหละนะมันเข้าใจไปอย่างนี้หลักการมันผิดตั้งแต่ไม่เชื่อพระพุทธเจ้าล่ว เพราะโยมไม่เชื่อพระเจ้าว่าคําที่แต่งขึ้นอธิบายขึ้นใหม่อย่าไปฟังพอไปฟังปุ๊บคิดว่าง่ายและคิดว่าง่ายกับถูกคือเหมือนกันง่ายกับถูกไม่เหมือนกันนะอ่านง่ายแต่ข้อมูลผิดนี่คือความต่างกันแต่ยากแต่ถูกต้องใช่ไหมเนี่ยโยมเอาง่ายกับกับถูกมามาเกี่ยวพันกันว่าสิ่งที่อ่านง่ายคือถูกต้องไม่ใช่คนละเรื่องนะ ไม่มีใครแต่งเติมของผู้เจ้าได้หรอกโยมผู้เจ้าห้ามไปแล้วพระละหันยังไม่ให้เลยแล้วอะไรชูชีพอะไรเป็นใครอ่ะนะเก่งขนาดไหนถึงจะไปแตะคําผู้เจ้าได้ไม่มีหรอกอะฮะเอาแพร่หลายแล้วกัตริย์สดาพูดโยมจะฟังใครละ่ะฟังตถาคตแสดงว่าโยมคัดง้างคําตถาคตได้ใช่ไหมมันคัดง้างอยู่แล้วนะเพราะว่าตถาคต บ, บอกว่าอย่าฟังแต่โยมบอกฟังได้ใช่ไหม อออืก็ยอมพูดแต่พระตาบิโดกอตมาบอกว่าพุทธวจนะที่อยู่ในพระตาบิโดกยอมก็ยังไม่พูดพุทธวจนะใช่ไหมเพราะพระตาบิโดกไม่ใช่พุทธวจนะทั้งหมดใช่ไหมนี่เราทําหนังสือพุทธวจนะเพื่ออะไรเพื่อแยกคําศาสดาออกมานะแยกคําศาสดาออกมาจากส่วนที่ปลอมปน ยมเคยทราบไหมว่ามันมีส่วนที่ปลอมปนไม่เคยทราบนี่เห็นไหมต้องทราบก่อนเลยนะแล้วต้องอ่านพระธรรมกต้องอ่านใหม่ต้องอ่านเฉพาะพุทธวจนะคือตามความเห็นศาสดาไม่ใช่ความเห็นสมาเลยนะนี่นะไม่ทราบทราบพระสูตรอันนี้หรือเปล่าที่พระเจ้าบอกไม่ให้ฟังคําที่แต่งใหม่เคยทราบมาไม่ทราบอ่านลองขึ้นดูนี่ไปดูพระสูตรนี้นะพระองค์บอกสุดต่งตางๆเหล่าใด เห็นไสุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นมาเนี่ยชูช่องชูฉีดในกอในขอพระคอพระขอจะเป็นคําร้อยกรองประเภทกาบกรนมีอักษรสลัสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตรเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคํากล่าวของสาวกนายจะเป็นสาวกใครก็ตามสาวกไหมเมื่อมีผู้นําสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจะไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพจะรู้ทั่วถึง และจากไม่สําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนแต่ยมไปอ่านจังเลยยมไม่เจอข้อสูตรนี้ไงตาตาคตตัดเอาไว้ถามว่าไหนยากมะมีใครไม่เข้าใจข้อสูตรนี้มั้งต้องแปลซ้อนแปลมะใช่ไหมมันเข้าใจอยู่แล้วไหนอะคำพระเจ้าไม่เข้าใจตรงไหนอือหืมอือหืม ก็มีไงเพราะความไม่รู้แล้วยมจะมาดิสเครดิตคำพุทธเจ้าว่าไม่รู้เรื่องได้ยังไงจริงหรือเปล่ายมกำลังดิสเครดิตคำาศาสดาตัวเองว่าโอ้ยากสูงเกินไกลเกินไม่ได้หรอกอย่าไปอ่านคนตัวกันหมดเลยอย่าไปอ่านคำพุทธเจ้าใช่มากเพราะความเข้าใจผิดของเราใช่ไหมอ่าไม่ไม่ได้จริงมากนะถีงได้นี่อนุญาตให้เถียงอยู่นี่นี่ไง เนี่ยมีมีมีอะไรมีอะไรยากกันเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยมีเอาเอาปัจจุบันนี้เลยเอาปัจจุบันเนี้ยไหนมีอะไรไม่เข้าใจเนี่ยคําศาสนานะเนี่ยอ่าใช่ไหมก็ชัดชัดง่ายๆ่นี่ชัดชัดง่ายๆใครแต่งขึ้นมาอย่าไปฟังแล้วก็บอกส่วนสุดตัตว์เหล่าใดอาจจะไม่เข้าใจสุดตัตว์คือคําสอนนั่นเองนะเหล่าใดที่เป็นคําของตถาคตาก็คือชื่อพระเจ้าเข้าใจตาข่ายไหมก็บอกอ่ะคือพระพุทธเจ้าชื่อแทนพระเจ้า เป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะด้วยเรื่องสุญญาตาคือความว่างเมื่อมีผู้นําสุดตัณฐาเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอย่อมฟังด้วยดีย่อมเงี้ยหูฟังย่อมตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและย่อมสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนจึงพากันเล่าเรียนย่อมต้องเข้าไปเล่าเรียนแล้วก็ไต่ถามทวนถามแก่กันและกันอยู่ว่าข้อนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ใน ก็มันก็ต้องสงสัยธรรมดาโยมคิดว่าโยมอ่านคำสาวกแล้วจะไม่สงสัยทะลุอุ ป, ปลภทุกอันเลยเหรอไม่นะอือือถูกต้องนี่แหละนี่แหละให้ถามกันเองหนึ่งให้ถามกับในพระสูตรอื่นให้ถามกับภิกษุผู้คล่องแคล่วในหลักพุทธวจนะทรงธรรมทรงวินัยทรงมาติกาคือแม่บท เมื่อเข้าไปถึงพิสูจน์นั้นแล้วเธอต้องเข้าไปซักไซส์ไล่เลียงสอบถามทวนถามแก่ท่านว่าข้อความนี้เป็นอย่างไรมีความหมายกี่ในได้2แบบนั่นอย่างหนึ่งอย่างที่สองกับบริษัทด้วยกันเองเข้าไปซักถามกันเองเรียกว่าจะเป็นบริษัทที่เลิศคือสอบถานทวนถามแก่กันและกันเอาเองหาใช่ด้วยการชี้แจงโดยประจักษ์ของบุคคลภายนอกเ่าอื่นไม่จะไปเอาคนภายนอกที่ไหนมาเอาศาสนาไหนมาอธิบายเราเราต้องอธิบายกันเอง ไม่ใช่ว่าทุกคนโง่กันหมดเนี่ยไม่ใช่ทุกคนฉลาดหมดบางคนก็ได้มุมนี้บางคนก็ได้มุมนี้คนอ่านหนังสือหนึ่งหน้าเก็บไม่เท่ากันนะโยอะเก็บประเด็นได้ไม่เท่ากันอีกใครเท่ากันแต่เมื่อมาสมหัวกันเนี่ยผู้เจ้าบอกให้สมหัวกันในคำพระศาสดานี่โยบไม่เคยได้ยินเทคนิคของผู้เจ้าตรงนี้และไม่เคยเดินตามผู้เจ้าตรงนี้ไปนั่งปรุงเองคิดเองตลอดมันก็ไม่รู้เรื่องไงใช่ไหเนี่ยผู้เจ้าสอนไว่หมดทําไมผู้เจ้าต้องมาสอนเรื่องเหล่านี้เพราะรู้เนี่ย อาจจะมีคนอย่างโยมเข้ามาถามเนี่ยเลสอนไม่ให้แตมาตอบโยมนะอ่านะนั้นเห็นนะด้วยการทําดังนี้เธอย่อมเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ยอมเชื่อพระเจ้าไมหมละ่ะถ้าศึกษาแต่คําตถาคตและทํากันอย่างเนี้ยเธอจะเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ธรรมที่ยังไม่ปรากฏเธอก็ทําให้ปรากฏได้ความสงสัยในธรรมหลายประการที่น่าสงสัยเธอก็บันเทาลงได้นี่อย่างหาก นี่แหละโยมลองทำอย่างนี้สิอาจารย์นะเข้าใจตัวเองเ <c oughs> มื่อก่อน ก, ก็ไม่ทราบแบบพี่เขาเนี่ยนะฮะแต่ <c oughs> พอทหลังได้ศึกษาแล้วได้มารูจา้จักพุทธวจนะ <c oughs> ก็ได้มาอ่านหนังสือแล้วก็ฟังธรรมของพระอาจารย์ อนอนก็จะใส่หูฟังตลอดนะคะมันก็เลย <c oughs> มันก็เลยเข้าใจค่ะว่าอาจารย์ซึ่งที่เขาอาจจะไม่ค่อยยังไม่ได้ศึกษาตรงนี้ <c oughs> แต่ถ้าเขาได้ศึกษาไปเหมือนกับตัวฉันเนี่ย <c oughs> มันจะเข้าใจพออาจารย์พูดอะไรก็เราก็จะรู้อะไรอย่างเงี้ยคือคนที่พูดเนี่ยอัตามาเข้าใจยังไม่ได้แต่คำพุทธะเลยเขายัางไม่ได้ <c oughs> จินตนาการไปใช่ค่ะคำพุทธะอย่างนี้อย่างนี้แล้วไปแตะก็ไปแตะผิดอีกไปแตะคําสาวกที่อยู่ในพระตปิดดกโอ้โหยิ่งงงเหมือนอัตมาเลยอัตมาไปนั่งอ่านงงพระตปิดดกอยู่เป็นปี ใช่ไหมอ่าพบแยกแย้ไม่ออกเนะ่ะแต่พอตั้งอ่านแต่คำํำผู้เจ้าก็พูดรู้เรื่องนี่ว่าแต่ก่อนทําไมเรามองว่าผู้เจ้าพูดไม่รู้เรื่องเพราะถ้ามาเจอเนี่ยจากพระโอษฐ์ที่ท่านรุทธาทำเอาไวเ้เนี่ยนเี่ห้าเล่มจากพระโอษฐ์มีแต่คําผู้เจ้าทั้งนั้นล้วนๆไม่มีคําแต่งขึ้นใหม่ไม่มีความเห็นใดๆโยมเคยรู้จักมาไม่รู้จักใช่ไหเนี่เห็นนะโยมลองไม่อ่านสิชีวิตนี้เนี่ยโยม ได้สัมผัสคําศาสนาตัวเองสักครั้งหนึ่งในชีวิตเป็นบุญชีวิตด้ไปอ่านได้ที่ไหนครัอาจารย์ฮะไปอ่านได้ที่ไหนอ่านได้ที่วัดธรรมมาเราจิ๋วๆนี่ไปอ่านก่อนก็ได้น่จิวจ๋วๆปกติก็อ่านเล่มเล็กๆะแต่ก่อนแจกอยู่เดี๋ยวนี้ไม่ได้พิมพ์แจกละแต่ก่อนสามสี่ปีแรกนี้แจกเล่มใหญ่ๆอย่างนี้นะแต่ตอนนั้นก็เรียกว่าแจกเร็วเกินไปโยมเห็นเล่มใหญ่ก็โอ้โหตกใจหมดแรงอ่านกันอีกนะ อ่าแต่จริงๆแล้วถ้าเราได้อ่านได้ศึกษาภูมิทัศน์วัฒนธรรมของภูมิทัศนชาวไม่ได้ยากเลยนะคะไม่ยากเราได้ฟังบ่อยๆเหมือนอาจารย์ท่านบอกไม่ยาก อ, อยู่ที่เราเสพคบธรรมะใครเราเสพคบธรรมะใครมากเราก็จะคล่องธรรมะคนนั้นอืมทีเห็นบางคนก็เอาซีดีที่พระอาจารย์แจกไปบางคนถาม ก็ไม่ได้ไม่ได้ฟังต่อหลังตัวเองมามาลงในในเครื่องมืออะไรพวกนี้ก็มาลองฟังทุกวันทุกวันเออ ม, มันก็ทําให้เราเข้าใจนะคะทีนี้บางคนเขาก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเลยยังไม่ค่อยรู้คําเมื่อก่อนตัวฉันเองก็ไม่ทราบนะคะสุนจตาคืออะไร อ, อ, อะไรอย่างเงี้ยทำ เ, เป็นคํา <c oughs> ที่เหมือนกับพี่เขาบอกมันยากจริงจริงแมันไม่เนี่ยลองไปดูปฏิจจสิลองไปดูปฏิจจใหม่ ที่โยมบอกว่ายากเนี่ยอาตมาจะชี้ให้ดูโยมไปจับไอ้มุมที่ยากไอ้มุมที่ง่ายดันไม่จับเห็นไหมเนี่ยภาษาเวทนาตัณหาอุปทานตัณหาความอยากรู้จักมล่ะรู้จักกันทุกคนอยากกินข้าวเคยอยากไหมอยากซื้อเสื้ อ, อเคยอยากมอ่ามีกันทุกคนนะโยมเห็นไหมถามว่ามีใครไม่เข้าใจก็เข้าใจได้โยมเข้าใจในจุดที่เข้าใจก่อนเวลาอ่านคําศาสดาเนี่ยตรงไหนไม่เข้าใจวางไว้ก่อนโยมเข้าใจตรงไหน เก็บประเด็นตรงนั้นใช่ไหมผู้เจ้าบอกเพราะมีเวทนา ย, ยมรู้จักเวทนาไหมเวทนาจะมีสาอาการคือสุขทุกข์เฉยๆอ่าอย่างเนี้ยไหนคำํำผู้เจ้ายากไหมไม่ยากตรงๆเลยสุขทุกข์เฉย ๆ, ๆนะเพราะมีเวทนาเป็นปัจจัยปัจจัยเปราว่าเหตุจึงมีตัณหาคือความอยากนะ ก่อนมีเวทนาเนี่ยจะมีอะไรอีกเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนามีผัสสะเป็นเหตุจึงมีเวทนานะมีเวทนาเป็นเหตุจึงมีตัณหาผัสสะเกิดเวทนาเกิดตัณหาความอยากยมไปเดินห้างยมก็ตรวจใจนะตากระทบรูปนะตามองเห็นเสื้อเห็นกระเป๋าแหมสวยจังพอใจใช่เกิดพอใจเกิดความอยากจ่ายเงินซื้อเกิดความยึดของฉันแล้ว อเห็นไหมเนี่ยอาการจิตมนุษย์ทั้งหมดเลยทั่วทั้งโลกเป็นอย่างนี้ภัสสะแล้วจะเกิดเวทนาตานหนาวกระทานมีใครในห้องนี้มีไม่เหมือนนี้บ้างนี่มันคือความจริงมันไม่ใช่เรื่องความยากความง่ายมันคือความจริงนะแล้วถ้าไปแต่งใหม่ก็ผิดเลยแต่งใหม่ไม่ได้เพราะนี้คือความจริงที่สมบูรณ์แล้วที่ถูกบัญญัติโดยศาสดาอาการจิตจะไหลออกมาอย่างนี้และต้องบัญญัติอย่างนี้เท่านั้นจะบัญญัติอย่างอื่นไม่ได้ เนะพราะพระพุทธเจ้าบอกเลยว่าก่อนปรลิษฐิผ่านคําของพระองค์สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วเคยทราบไหมว่าพระพุทธเจ้าตอบย้ำเลยคาพระองค์สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วอย่าบัญญัติเพิ่มอย่าเพิกถอนถ้าโยมบัญญัติเพิ่มได้เจ้าชูชีปอะไรบัญญัติเพิ่มได้ชูชีพก็คัดง้างคําศาสดาตัวเองลองไปดูนี่พระุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติโยมเคยทราบพระสูตรนี้ไหมอ่า ภิกษุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไปแล้วเห็นไหมไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไปแล้วเห็นไหมจักสมาทานศึกษาต้อ ง, ต, งตั้งใจศึกษาในสิกขาบทที่บัญญัติไปแล้วอย่างเคร่งครัดอยู่เพ่ยงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่ภิกษุทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นาศาสดายมเป็นคนพูดนะไม่ใช่ใครพูดเลยเนี่ยข้อมูลเมื่อสองพันกว่าปีเป็นอย่างนี้ ดังนั้นโยมต้องซื่อตรงต่อศาสดาผู้เจ้าบอกอย่างนี้ลองเดินตามโยมตัดใจเดินตามผู้เจ้าสักรอบสิผู้เจ้าบอกเลยว่าอริบุคคนเนี่ยแม้ตาขาคตจะก้าวเท้าลงไปในหล่มโคนเขาจะก้าวตามเขาจะไม่เชื่อว่าผู้เจ้าก้าวผิดเขาจะไม่เชื่อว่าผู้เจ้าสอนผิดเพราะองศ์สอนยังไงถูกแน่นอนถูกศรัทธาโยมพอไหมกับพระพุทธเจ้าถ้าโยมศรัทธาเชื่อว่าผู้เจ้าเก่งที่สุดเก่งพอนะโยมจะศรัทธาคําพูดของท่านด้วย ค่ะทุกคนปฏิบัติในพระยาจะไปใช้เป็นพระยากันนั้ะคะใช่ต้อมีองค์ทำอะไรบ้างนะที่ว่าของสุลารังนี่ไงนี่ไงรว้ไม่ให้แล้วนี่เห็นไหมเล่มบะเร่มเลยนี่ห้าสิบสี่ไตยะนี่เห็นนะนี่เนี่ยพอไม่แตกคำพูชดแล้วมันจะมาเจอนี่มันเนี่ยไม่เจอโยไม่เจอนะ ยมจะไปเจอโศลตยานยานสิบหกไปเจอคําสาวกนะเจอนิพพานกี่รอบจิตระเบิดกายระเบิดยมก็อู้อ่านง่ายเลยนะโอนั่งให้จิตระเบิดนะมันผิดตั้งนั้นนะ่ะนี่แหละง่ายอ่านง่ายเข้าใจแต่ผิดผิดผิดผิดผิ ด, ผดน่ะแล้วเอาไปทําอะไรใช่ไหมพระเจ้าบอกเนี่ยสินห้าบริบูรณ์และมีความมั่นคงในพระรัตนตรยัยสองอย่างแค่นี้เป็นโสดาบันละพยากรตนเองได้เลย โอ้โหแค่นี้เองไม่ได้ยากเกินเอื้อมเลยใช่ไห ม, มเนี่ยเรื่องสาย อ, อย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระรัตนใจมีสินน้ำดินที่รักของพระริเจ้าคือสินที่ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่รลอยไหนไม่เข้าใจตรงไหนนี่คำพระเจ้านั่นเนี่ยนะเนี่ยไม่เห็นยากอะไรเลยยมต้องอ่านเยอะๆยมถึงจะรู้ว่าไอ้ไม่ ย, ยากก็เยอะไอ้ยากก็มีนะก็ เก่งขนาดผู้เจ้าเลยจะพูดแต่คำง่ายๆหมดเหรอธรรมชาตินี้มันมีของละเอียดของล้าลึกของยากของปลันีตของใช่ไหมอืออือฮะเอาเขาเมืโอโออม่อกี้อยากเป็นอรบุคนนี้บอกเอายากอีกแล้วอ่าอ่าฮะใช่ไม่งั้นคนก็หลุดพ้นกันหมดอ่ะสี่เยี่ใช่ไหมอืม มันต้องแลกกันนะยากกน 5, ยโย ม, มทุกมากพอไหมล่ะที่จะแลกกับสินห้าโยมมีความทุกขมากพอไหมขาขาดแขนขาดพิการนอนอยู่ไอซูรักษาสินห้าหน่อยมั้ยไม่เอาฉันยอมแขนขาดอยู่เนี้ยนะอืมไม่แลกกันนะมันก็จมอยู่ในสังสารวัตไปเรื่อยๆอยากอยากเปนะ็นอะไรกคนอยากออกจากความแก่เจ็บตายบอกสินห้าไม่เอายังอยากตกยุงอยู่เลยยังอยากโกหกอยู่ มันเป็นมันอะไรกับโกหกไใช่ไหมประพฤติผิดในการขโมยดื่มสุราได้อะไรขึ้นมาเยี่ยมลอดูสินห้ามันพื้นๆเลยไม่มีอะไรเลยใช่ไหมอืมไม่ฆ่าสัตว์ยิง่งไปฆ่าทําไมสัตว์ทุกตัวก็รักตัวกลัวตายเสือมันขมัําเราเล่นเราเมื่อไรวิ่งหนีกันเปิงเสือหลุดเข้ามาในเนี้ยมีใครไม่วิ่งมั่งอ่ะใช่ไหมอ่าเหมือนการรักตัวกันทั้งนั้นอะ่ะสัตว์มันก็รักชีวิตของมันใช่ นั่นแหละโยมต้องรู้หลักการก่อนอย่างน้อยโยมต้องรู้ก่อนวนะ่าเป็นโสดาบันเป็นยังไงใช่ไืมอย่าเพิ่งไปมองความยากความง่ายไอ้รู้จริงยังไม่รู้เลยว่าเอ้แล้วโสดาบันมันยังไงอ่ะใช่ไหมส่วนพอรู้แล้วยากหรือง่ายค่อยมาว่ากันอีกทีเอายากข้อมูลก่อนว่าอะไรจริงอะไรปลอมคือหน้าวันนี้ยังไปนั่งอ่านของปลอมมันอยู่เลยนี่ปัญหาคือตรงนี้ใช่ไหม แ้วยมว่าโสรถยานที่เขาบัญญัติใหม่นะซึ่งมันไม่ใช่ของจริงโดยมันยากหรือง่ายนะบัญญัติใหม่ยมเคยอ่านในเรื่องเจตสิกมา oh, โอ้โหกี่ร้อยดวงกี่อะไรเป็นห้างท่องกันชื่อยาวเหยดนะนั่นนะ่ะสาวกมันแต่งขึ้นตัวยากเลยตัวไม่เข้าใจเลยยมอ่านคําสาวกให้เยอะๆซะก่อนอืมนั่นน่ะแต่งใหม่ทั้งนั้นนะ่ะนั่นนะ่ะแล้วบอกคําสาวกง่ายตัวยากเลยนั่นนะ่ะอ่าเห็นไหม โยมต้องมาเปรียบเทียบให้หมดส <c oughs> ิอัตมาถึงบอกไอ้โยมกําลังดิสเครดิตคําศาสดาตัวเองนั่นไม่ได้กค่นั้นสิใช่อัตมาถึงถึงบอกว่าที่โยมกําลังเข้าใจนาะยโยมเข้าใจผิดเนี่ยใช่ไหมคําศาสดาไม่ได้ยากลําบากมันคือคําตรงคําจริงเป็นสัจจะดังนั้นเราเอาง่ายเอายากมาวัดไม่ได้เราเอาความจริง ถ้าหนังสือนี้อ่านง่ายอ่านทั้งเล่มเสร็จแล้วนี่เธอหนังสือเล่มนี้เขาโกหกทั้งเล่มนะแล้วยอมไปนั่งอ่านทําไมใช่มเออใช่ไหมเ <laughs> นี่ยเราก็อ่านการความจริงขอโอกาสเพื <laughs> ออ่ <laughs> อ, อ้ความจริ เป็นผู้นิมนต์พระอาจารย์มาอันนี้นั่งขนาบด้วยโยมแป๋วกับโยมจีเป็นตัวอย่างให้ชาวตลาดได้เห็นค่ะว่าหนึ่งปีที่ผ่านไปที่พระอาจารย์เดินทางมาแสดงธรรมพุทธวัจนเนี่โยมแป๋วติดตามทุกทุกช็อตจนกระทั่งเข้าใจไปแล้วอยู่ในวิดีโอและได้แผนที่ไปเรียบร้อยได้ดีไซน์เครื่องมือให้ตัวเองคือโหลดทั้งหมดของพระอาจารย์ทุกแผงลงแล้วก็ ออกกำลังกายกับฟางทำอะไรก็ฟางแล้วก็สดชื่โยมจีมามีนาคม2554แล้วก็หายไปบ้างก็เลยยังไม่มีแผนที่ี่ทจะแสดงคับที่เห็นคืออย่างนี้ค่ะพระอาจารย์ว่าศรัทธาอย่างเดียวนี่คงไม่พอคงต้องใช้เวลาในการสะสมค่ะ เพราะบางทีอุปสรรคอย่างเดียวของโยมที่ไปกั้นไว้คือโอ้ยากโอ้ยากปฏิเสธไปละแต่คนนี้ไม่เอาอีกคนไม่เอาบอกยากก็ยา ก, ยากฉันจะลองดูสิยากเป็นยังไงใช่ไหมพอไปแตะเขาแล้วไม่ได้ยากอย่างที่คิดมันคือความจริงทั้งนั้นโอ้เห็นนะเวลามันล่วงไปล่วงไปนะโยมนะแล้วถ้าโยมไปตายไประหว่างปีทําไงแหมยังไม่ได้อะไรเลยใช่ไหมเนี่ยความตายมันไม่แน่นอนไม่หลอกใครไง ใช่ไหมเนี่ยอืว่าโยมจีต้องมาเป็นดาราประจําทุกช็อตเลยโยมแป๋วและคนอื่นๆด้วยเจ้าค่ะก็โอกาสหายยากที่จะ้มาฟังธรรมร่วมกันในที่อย่นี้ก็ก็เนี่ยโยมอาจะมาให้อีกปีหนึ่งอ่าอีกปีหนึ่งเนี่ยโยมตั้งเป้าไว้เลยว่าแปลนไว้อีกหนึ่งปีฉันจะเก่งอย่างโยมอะไรนะโยมแป๋วอืม ตัวเองตัวเองก็ได้รับจากอนี้ส่งจากพี่พี่เกม์มาค่ะพี่คนนี้ครับเมื่อก่อนก็วัตถุมกายแล้วค่ะว่าตลอดก็เปลี่ยนมาแล้วก็จะไปไหนก็จะไปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะแล้ก็ไปด้วยกันแล้วพอดีแกก็ทําแบบนี้ก่อนอะไรดีเนาะเราจะได้แบบทําได้ทุกวันทุกเวลาเราเสร็จตรนี้เรื่อยๆเยอะๆเราก็มาใช้กับชีวิตประจำวันได้ดีพอดีอยากให้ทุกคนมีความเพียรนิดนึงอะค่ะ ค่อยันฟังมันก็จะเข้าใจใช่อตาตรมาถึงว่าแม้เราขยันอ่านของของอื่นอ่านได้นะที่อ่านพุทเจ้าไม่ไม่ยอมสละเวลาอ่านอ่าอยาปรับนิดเดียวโหมันจะพลิกไปเลยนะอ่าอยางว่างไงหุก คือเมื่อก่อนก็เป็นคนที่พูดคําภาษาบาลีไม่ได้แล้วก็ฟังไม่เข้าใจอะไรเลยสักคําเดียวะคะ่ะแล้ว <c oughs> อย่างคําว่าเวทน า, ส, าสัญญาสังขารวิญญาณก็จะนึกท่องทบทวนอยู่อย่างนั้นว่าแปลว่าอะไรแปลว่าอะไรอยู่ตั้งนานแล้วก็ไปท่องคําแปลว่ า, เ, าเวทนาแปลว่าสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์แต่ว่าความที่วัยเราเกินแล้วนะคะก็ จะจำยากจํายากแล้วก็วนเวียนอยู่อย่างนั้นท่องอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งทําตามที่พระอาจารย์บอกเมื่อกี้นะคะคือจําไว้ก่อนไม่ต้องไปรู้ความหมาย อ, อนะคะแล้วกดอิอทัปปัจจิตาอือก็เหมือนกันค่ะก็ะฟังไปเรื่อยๆจนในที่สุดนะคะก็ซึมซับแล้วก็เริ่มเข้าใจเข้าใจความหมายอันนั้นไปเรื่อยก็ขอให้ผู้ใหม่นะคะที่ ทำหมายเหมือนอย่างที่โยมพูดน ะ, นะคะมไม่ต้องตกใจนะคะฟังไปเรื่อยๆอย่างโยมแป๋วนะคะโหลดเข้ามาใส่ในในหูฟังเราจะทํางานอะไรต่างๆก็ตามฟังไปเรื่อยๆก็จะเข้าใจนะคะอีกอันหนึ่งที่อยากจะกราบเรียนพระอาจารย์นะคะว่าอาริยสัจสี่ที่สําคัญที่สุดในคำํำที่พุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่มนุษย์ควรจะรู้ก่อนเป็นอย่างแรก อผู้ใหม่หรือผู้เก่าก็แล้วแต่นะคะดิฉันอยอมทราบว่าคําว่าทุกเนี่ยค่ะมีหลายคนที่ไม่เข้าใจผู้ใหม่ในที่นี้ก็ไม่เข้าใจผู้เก่าบางคนก็อาจจะลืมเรือนนะคะเอะทุกสี่ไทยนิโรธมาคําว่าทุกเนี่ยค่ะอยากกลาบพระอาจารย์ว่าขอให้อธิบายเให้ให้กับผู้ใหม่แล้วก็ผู้ที่อยู่ในที่นี้ค่ะได้ได้ทราบได้ ได้เข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นนะคะใช่้คำกระทุกนี่ก็ยากาพักเพอก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหรอกอยอมนะนะดังนั้นมันมันจะเข้าใจได้เนี่ยไม่ใช่ว่าโอ้อาจารย์ที่นี้เข้าใจไม่ใช่นั่งแกะกันนานเหมือนกันนะนะทั้งเดินทั้งนั่งกว่าจะเข้าใจแต่ศรัทธาต้องมีว่าเอ๊ะทำไมมันไม่รู้ทาไมมันไม่เข้าใจอ่านไปเสพพบไปอ่านจาไปก่อน อตาตมาเขาใช้สไตล์แบบที่ธธท่านพุทธะท่านนั่น <c oughs> แนะนํามาอ่านไปไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็ผ่านไปสิอ่านนะไม่เข้าใจก็ผ่านไปสิอันนี้เข้าใจอ๋อเข้าใจตรงนี้เอออันนี้สนุกดีอันนี้อ๋ออุปมาอุปไมยเอออ่านแล้วมันดีเนาะอ่าได้อันนี้มาอ่านนี่ก็ไม่เข้าใจนี่ก็ไม่เข้าใจผ่านไปโอ้มาเข้าใจตรงนี้หน่อยหนึง่งอ่าแค่นี้แหละโยมทําไปทําไปเสร็จแล้วเดือนต่อไปก็มานั่งอ่านอีกไล่ไปไล่ามาทุน มันก็เข้าใจมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไปเรืเ่อยๆนี่ต้องอย่างนี้นะเหมือนนี้คือมาหากลุ่มท ร, พรัพย์เลยกลุ่มทรัพย์ทางปัญญายมขุดคุยได้จากตรงนี้เพราะคําในนี้ไม่มีข้อผิดและคําสอดรับเชื่อมรับกันทั้งหมดนี่แหละสุดยอดนะอยู่ตรงนี้นะอ่างั้นถ้ายอมไปหาจากคําคนอื่นพวกนี้เรียบร้อยเลย <c oughs> ไม่รู้ใครจะแต่งผิดตร ง, ตรงไหนเมื่อไหร่อ่านง่ายจริงแต่มันผิดเสร็จเลย และคําจะขัดแย้งกันเองเราก็จะงงผู้เจ้าจึงบอกเธอจะไม่สามารถเปิดธรรมที่ถูกปิดไว้ได้ตรงเป๊ะนั้นถ้าโยมเชื่อว่าผู้เจ้าไม่มีทางพูดผิดมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะโยมลองเชื่อว่าทุกๆบทพจน์นะผู้เจ้าพูดไม่ผิดแน่นอนตรงศรัทธาลงไปปั๊มเนี่ยแล้วโยมเดินตามเนะี่ยโยมจะเป็นบริษัทที่เลิศนะอืม มัน mm ่วนะอแต่เมื่อเรามาสายมาก็เหมือนท้าที่บอกพี่เขาว่าเอามาแลกกันไปทุกทุกมากไปอย่างที่ที่จะแลกแต่นี้ใช่ก็เดึงสุตัวเองเอาเองนี่ยมันมัให้เลยพอเราพอเราทุกแล้วเรามาแลกเราได้ได้แล้วก็ทำให้ม่อย่าตัวตายแล้วไม่อยากทำร้ายตัวเองแล้วแล้วก็รู้ว่า อือฮอือ huh. ใช่ทีนี้ความทุกข์ในอริสัต์เนี่ยก็ไม่ใช่แค่ความรู้สึกอันเป็นทุกข์ความรู้สึกอันเป็นทุกข์ก็เป็นหนึ่งในทุกขสัตย์เหมือนกันแต่ทุกขสัตย์นั้นมีความละเอียดมากกว่านั้น <c oughs> ทุกขสัตย์เนี่ยตัวทุกข์จริงๆคือทุกขังคือแตกสลายอะธรรมชาติอะไรก็ได้ที่มันแตกสลายได้เนี่ยธรรมชาตินั้นเรียกว่าทุกข์หมดเลย ทุกขสัตว์สัจจะคือความจริงความจริงของสิ่งที่เป็นทุกข์หนังสือเป็นทุกข์ไหมเป็นนี่เป็นนี่ก็เป็นทุกข์อาคารบ้านเรือนมนุษย์เป็นทุกข์เพราะว่ามันแตกสลายได้อืมแต่ก่อนมีอยู่ที่หนึ่งไปที่วัดอะไรสีสุดารามอะไรไปบรรยายเสร็จมีทั้งพระทั้งคารวะฟังนี่เขาบอกอาจารย์ครับแก้วเป็นทุกข์ยังไงครับ เขานึกว่าแก้วจะต้องมีความรู้สึกเป็นทุกข์นะเขาบอกว่าแก้วแตกไม่ละยมอาการที่มันแตกนั่นแหละคือทุกข์เรียกว่าทุกขังนะดังนั้นคําว่าทุกข์เนี่ยจะมีหลายไนาย ะ, ะเราจะได้ไนายะของความหมายของคําศาสด า, าแล้วทุกข์หมายถึงอะไรบ้าง <c oughs> นะเพราะฉะนั้นรูปเป็นทุกข์รูปคือก้อนกายเป็นทุกข์ แตกสลายไหมก้อนกายมีใครไม่ตายตายเนี่อเป็นทุกเวทนามีสุขทุกอทุกขก็มาสุขหรืออุเบกขาเนี่ยเห็นไหมมีคําว่าทุกอีกล้สุขทุกนะแต่ทุกตรงนี้คือความรู้สึกอันเป็นทุกความรู้สึกอันเป็นทุกเป็นทุกไหมเป็นทุกเพราะมันดับไปได้มีใครทุกแช่ทั้งวันมีไหมไม่มีนะแสดงว่าความทุกข์ก็มีความดับไปทุกความทุกข์ก็เป็นทุก ความสุขเกิดขึ้นมาแล้วในใจเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์เพราะความสุขเดินไปสู่ความดับแตกสลายเหมือนกันเห็นสุขจึงเป็นทุกข์ไม่ใช่ความสุขเป็นความทุกข์นะแต่ความสุขนั้นเดินไปสู่ความดับความทุกข์เดินไปสู่ความดับอุเบกขาเดินไปสู่ความดับเห็นไหมลูกกายเดินไปสู่ความดับสัญญาความจาเดินไปสู่ความดับสังขารเดินไปสู่ความดับวิญญาณเดินไปสู่ความดับดังนั้นขันห้าจึงเป็นทุกข์ นี่คือทุกขสัตว์เห็นนะนี่เป็นอย่างนี้โยมดูสิคนจะเข้าใจลึกซึ้งอย่างนี้น้อยนะฝรั่งจึงเข้าใจผิดบอกทําไมผู้เจ้าพูดแต่เรื่องความทุกข์ไม่พูดเรื่องความสุขเลยนั่นเข้าใจผิดเห็นนะฝรั่งบางข่าก็เข้าใจผิดเพราะคิดว่าคําว่าทุกข์คือ suffer หรือว่าโอ้โหความรู้สึกอมทุกข์เหลือเกินมีความทุกข์ประทมไปคิดไปอย่างนี้แต่จริงๆมันไม่ใช่แค่นั้นนั่นมันแค่ส่วนหนึ่งกระทิ นิดหนึ่งนะเป็นอย่างนั้นนี่ทุกขสัตเป็นอย่างนี้ เ, เห็นไหมว่าคำพุทธเจ้าคําเดียวคําว่าทุกเนี่ยถ้ายมไม่ศึกษาพุทธวจะนะในบทอื่นที่ขยายความเรื่องทุกเราจะไม่รู้เลยแล้วเราจะคิดอย่างฝรั่งว่าเอ้ยพุทธเจ้าพูดแต่เรื่องทุกออื อ น, นิจจังอนัตตาไม่ใช่ไม่ใช่ความหมายอันเดียวกันแต่ใกล้เคียงกันอยู่ในก้อนเดียวกันในก้อนทุกเนี่ยหนังสือก็เป็นทุกใช่ <c oughs> เพราะหนังสือคือสิ่งที่แตกสลายได้นี่คือในยะหนึ่งขณะที่ก้อนทุกเนี่ยนะมันเกิดขึ้นมาปั๊บมันก็จะมีการเสื่อมนะดังนั้นหนังสือจึงมีการฉีกขาดนะ สีลอกถลอกหลุดที่สุดก็เปื่อยผุพังหายไปขณะที่มันเปื่อยผุพังหลุดเนี่ยเรียกอนิจังก้อนทุกข์เนี่ยมันจะมีอนิจังอ่าและก้อนทุกข์เนี่ยเมื่อมันเสื่อมแล้วเนี่ยมันหยุดเสื่อมทีเดียวไหมไม่หยุดมันจะเสื่อม เ, เรืเเ่อยๆเสื่อมเรื่อยๆเสื่อมเรื่อยๆทุกขณะนะ จากการเสื่มเรื่อยๆเนี่ยผู้เจ้าเรียกทิฏฐะอัญญทตังปัญญาญติเมื่อตั้งอยู่มีภาวะอย่างนี้ปรากฏคือเสื่มเรื่อยๆเสื่มเรื่อยๆเมื่อเสื่อมมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นที่สุดทุกขังแตกสลายจึงเกิดขึ้นเห็นไหนี่คำว่าทุกมันหลายมุมนะก้อนทั้งก้อนนี้ก็เป็นทุก์เพราะเป็นการมองภาพรวมว่าสิ่งนี้แตกสลายได้จึงถูกเรียกว่ากองทุกหรือก้อนทุกและในก้อนทุกนี้จะมีอาการคืออะไร เกิดปรากฏขึ้นเมื่อเกิดแล้วจะมีวโยคือเสื่อมหรืออนิจจังและจะมีถิฏตสารยัตตังคือเสื่อมเรื่อยๆและจะจบด้วยทุกขังคือแตกสลายหมดความเป็นหนังสือหมดไปล้วเมื่อความเป็นหนังสือหมดหายไปหนังสือนี้จะถูกเรียกว่าอนัตตาตัวตนของมันมีชั่วคราวหนังสือเล่มนี้อาจจะอยู่สักพันปีแล้วก็เปื่อยไปหมดแล้วนะอย่างนี้นั่นคืออนัตตานะ คือเกิดขึ้นตัวตนของมันมีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปไม่ใช่ตัวตนถาวรไม่ใช่ว่ามีจริงหรือไม่มีแต่มีขึ้นตั้งอยู่แล้วหายไปนี่คืออนัตตาทุกในใจลับคือทุกถังแตกสลายนะอือฮึ คือขันธ์หขันธ์หรวมทุกอย่างทุกอย่างของขันธ์ห้านะแค่นั้นเองเพราะว่าสัพเพธรรมานั ต, ตาเป็นธรรมฝ่ายเกิดดับถูกอธิบายในคำพูดของปฏิจจสุบาทนะอาตมาจึงบอกให้โยมต้องจำแพทเทิร์นหรือแบบฟอร์มคำพูดปฏิจจสุบาทให้ได้เพราะผู้เจ้าจะดึงนิดเดียวดึงอิทัิปยาตาออกใส่สัพเพสังฆรานิจา คือสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงอีกว่าส่วนหนึ่งผู้เจ้าก็พูดกดอิทัาปิตาเหมือนเดิมแล้วดึงอิทธาปิจตาออกแล้วใส่สังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์พูดเหมือนเดิมอีก Copy ปี้คำเป๊ะเลยดึงอิทัาปิจตาออกแล้วใส่ทําทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาดังนั้นสัพเพธรรมานัตตานั้นกําลังถูกอธิบายในธรรมฝ่ายปฏิจจสุบาทคือขันท่านะผู้เจ้าจึง จัดเป็น100ร้อยพสูตว่าขันห้าเป็นอนัตตา ได้สิคนที่เห็นอนิจจังจะเห็นทุกขังคนเห็นทุกขังจะเห็นนันตาเห็นนันตาแล้วจะเกิดอะไรนะพูดได้สองมุมนะคือพูดในมุมของนิพิทาเกิดความเบื่อหน่ายเกิดวิลาคะคลายความพอใจนะเกิดโวสักขะคือการปล่อยวางหรือสละลงนะหรือจะเกิดปัญญาว่าเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโซมัสมิ นั่นไม่ใช่เป็นเราณนะเมโสตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่จะเกิดปัญญาตรงนี้แล้วยมต้องทรงจำคำตถาคตด้วยว่าสามคำแค่นี้จำให้ได้เนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโส ม, มัสมินั่นไม่ใช่เป็นเราณนะเมโสตตานั่นไม่ใช่ตัวตนของเรานี่มันแทบจะหายไปจากระบบการสอนนั่นนี่สามตัวนี้เดี๋ยวนี้สอนนสุดแค่นัตตาเนี่ย ได้พระเจ้าบอกได้อย่าไปตัดสินตามความเห็นตัวเองว่าไม่ได้นะเพราะพระผู้เจ้าเรียกตรงนี้ว่าเป็นสัญญาที่เป็นส่วนประกอบแห่งวิชาใครจะรู้เท่าพร ะ, ะผู้เจ้านะและพระผู้เจ้ายังกลัดว่าผู้ใดมีจิตฝังลงไปอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ้นที่เขาหวังได้คือพระอรหันต์ในปัจจุบันยมจะมารู้ดีเท่าพระผู้เจ้าไหมาไม่มีทาง ผู้เจ้ารู้รู้เหตุให้นําไปสู่การหลุดพ้นใครสร้างเหตุอย่างนี้จะได้อย่างนี้สร้างเหตุนี้จะได้อย่างนี้จึงบัญญัติเอาไว้เธอต้องทําอย่างนี้ทรงจําให้ได้นะเราจะได้อย่างนี้อย่างนี้แค่โยมจำำําคํำผู้เจ้าได้เนี่ยเอาจําแค่พระสูตรเดียวก็ได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นจะได้อะไรผู้เจ้าบอกแม้เธอจะมีสติหลงลืมทํากาละก็ยังจะได้ไปเกิดเป็นเทวดา ในพบของเทวดานั้นเธอจะระลึกถึงบทแห่งธรรมนี้ได้นะแล้วจะสามารถบรรลุธรรมได้ใครจะรู้เท่าผู้เจ้าล่ะเนี่ยวัตถานะสนี่ยศรัทธาในคำสอนตถาคตพอไหมว่าเฮ้ยผู้เจ้าโมงผู้เพ้อใช่ไหมอืม ก็เขาไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะจะไปมีได้ยังไงใช้แต่ความเห็นตัวเองใช่ไหมก็เพราะว่าจะเอาง่ายเนี่ยอ่านง่ายอ่านง่ายแล้วก็ผิดตามตามมันไปเรื่อยๆนี่ปัญหาคืออย่างนี้แล้วเราก็จะมาตลกหลังอีกทีว่าเราไม่บรรลุธรรมกันเลยก็เพราะว่าไม่ใช่คําศัพท์ใช่มอหมอืออือ ออออืืนนอไม่มีใครทราบผู้เจ้าไม่ได้สั่งให้ไปทราบตรงนั้นและการทราบไม่ได้มีประโยชน์มีประโยชน์คนเดียวคือของตถาคตน่ะเมื่อพระตรถาคตจะเป็นคนเดียวเป็นโทศพลยานของผู้เจ้าเป็นหนึ่งในกําลังสิบอย่างของผู้เจ้าคือการรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลมันไม่มีในสาวกะโยแล้วสาวกจะทํำยังไง ผู้เจ้าบอกมาหาชนจะเดินตามที่ผู้เจ้าสรรเสริญเอาไว้เชื่อในความเป็นสัพพัญญูสิผู้เจ้ารู้ปัญหาพวกนี้หมดแล้วบอกทางแก้ไว้แล้วอยู่ที่โยมเข้าไปศึกษาคําของปรุงหรือเปล่าโยมจะเห็นทางออกอ๋อถ้าไม่รู้มันจะต้องทําอย่างนี้อ๋อเดินตามที่ผู้เจ้าสรรเสริญแล้วผู้เจ้าจะชี้ไว้วิธีนี้ดีนะเธออาณาปานสิ ด, ดีตถาคตยังทําเองเลยละนันทินะพูดบ่อยพูดบ่อ ย, อยห้าหกร้อยพศ์นะละนันทิเนี่ยโยมเจอผู้เจ้าอ่ะราความเพลินนะลัความเพลินเห็นไหม นี่ทำอย่างนี้ทางออกมันมีดังนั้นถ้าโยมไม่ศึกษาพุทธวจนะยอมจะรู้ทางออกเหล่านี้ไหมไม่รู้ก็จะงงอยู่ในจะทํายังไงใครจะมารู้ความยิ่งหย่อนแห่งอินทรีย์ของฉันฉันเคยทํามามากน้อยแค่ไหนนี่แหละอมก็โยนทิ้งเลยนะแล้วรู้ลงหายใจเขาไว้อืมแค่นั้นเองเห็นไหม ยมงทำอะไรปัจจุบันอยารู้กำลังเดินข้ามถนนใจลอยคิดโน่นนี่รถชนนะสิใช่ไหมนั่นม่ไปอยู่กับความคิดเห็นไหมไม่อยู่กับก้าวต่อก้าวตรงนี้ใช่ไหมอพองานทางโลกอะไรที่มันจะเกิดอันตรายหรือมีความละเอียดปั๊บเนี่ยยไม่เอาจิตมาอยู่ปัจจุบันเนี่ยเรียบร้อยเลยนะเดี๋ยวร่างกายก็ตกหลุมตกบ่อเดินชนเสาไฟนะ Uh huh. uh huh. นั่นเป็นตัวสติตัวสัมปชัญญะคือความรู้ตัวนะยมละลึกได้กลับมาปั๊บเนี่ยจะเกิดความรู้ตัวขึ้นนะการละลึกได้กลับมาเน่คือการลากความเพลินตรงนั้นจิตยังผูกกับอารมณ์นั้นไหมนั่งปรุงอดีตนานๆยังปรุงต่อไหมละ่ะพอเลิกปรุงปั๊บเนี่ยกลับมารู้ตัวเออฉันกำลังทำไรนี่กำลังขับรถอยู่นี่นะ เผลอไปคิดซะนานเลยอย่างนี้นั่นนะ่ะกลับมาแล้วขณะกลับมาคือยอมรับความเพลินแล้จิตมาอยู่กับตรงนี้ทุกอย่างต้องอ้างจากพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าบอกถ้าบุคคลคิดถึงสิ่งใดยมไปคิดถึงสิ่งใดดั่ริถึงสิ่งใดหรือมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณนั่นนะ่ะวิญญาณมันไปตั้งตรงนั้นแล้ว เมื่อวิญญาณตั้งขึ้นเฉพาะได้แล้วเนี่ยการก้าวลงแห่งนามรูปย่อมมีนั่นนะนามรูปปรากฏ ต, ตรงนั้นแล้วเห็นไหมอ่าสลายเจตนะมีนะภาษามีพบชาติชลา ม, มันจะตามมาเป็นชุดหมดเลยสายปฏิจจา์ก็อยู่ที่ยมท่องปฏิจาร์ได้ปะพอท่องปฏิจจารได้ปุ๊บจมจะเห็นกระบวนการของจิตโอ้โหมันเกิดมาเป็นสายเลยเนี่ยถึงบอกว่าจําไว้ก่อนเนี่ยพอจําได้ปุ๊บเนี่ยในชีวิตจริงมันจะเป็นอย่างนั้น ป๊บมันจะเห็นบริเลโอที่เราจำได้นี่เข้าเป๊ะเลยโอ้พระเจ้าพูดจริงนี่นะศรัทธาจะเกิดขึ้นนี่ศรัทธาเกิดจากทำทั้งหลายมันทนต่อการเพ่งพิสูจน์เห็นไหมทางานกาออกงอืด้วยเตัวตัวต้องมีฝัเข้ามาประจมันจะเกิดนสว่าตื่นมันเิดา มันเลยนันออาามีสติอยู่วนนะตัวนะฮะแต่ถ้าเราสใจข้างอกมันก็ลอยไปเรื่อยๆรู้ตัวเราึงใจเขอยู่ที่รู้ตัวทีเมื่อว่าเอยู่ตัวเรานะอ่าฮะใช่ก็ถูกต้องแล้วนะปีตีเกิดสุขเกิดจิตอยู่กับกายแค่นั้นน่ะ การที่เอาจิตอยู่กับกายก็เรียกว่าบริโภคกายหรือจิตเข้ามาตั้งอาศัยในกายหรือเข้ามาเกาะเกี่ยวกับกายพนะระองค์บอกว่าชนเหล่าใดบริโภคกายยัตาสติชนเหล่านั้นชื่อว่าบริโภคอมตะโยมกําลังได้อมตะคือนิพพานแล้วนะถ้าลืมกายก็ลืมอมตะเห็นนะชนเหล่าใดบริโภคกายยัตาสติชนเหล่านั้น ชื่อว่าย่อมบริโภคอมตะเห็นนะะคำตถาคตสั้นๆเหล่านี้เยอมเนี่ยเข้าใจได้ง่ายๆอาตมายกมาแต่ละพระสูตรเนี่ยอ่านแล้วเข้าใจเลยไม่มีอะไรยากซับซ้อนมากมายนะมีสติอยู่กับกายกายเราลหมหายใจก็เป็นกายการเคลื่อนไหวรีบดก็เป็นกายการทำงานในปัจจุบันก็เป็นกายนะอืม ไหวมือตลอดเวลาอืแล้วเขาบอกว่าอันนี้ก็คือกายพัฒนาสติตัวหนึ่งซึ่งโยมเขียน ว, ว่ามันไม่ใช่วิถารธรรมที่พระพุทธเจ้าสันเสริมถ้าเรามาได้ระดับจากความสุขวิจนาเราจะรู้ ว, ว่าการอยู่กะลมเนี่ยลมคือกายแล้วมันง่ายกว่าแต่ขเขาเขียน ว, ว่าช่วงพลั้งที่เขาอยู่กะลมเนี่ยลมชอบหายไปแล้วก็ไม่รู้ตัวแต่ถ้าเขาเคลื่อนไหวนิ้วมือจากที่เขาได้ศึกษามา รู้สึกว่าเขารู้สึกตัวตลอดเวลาขอให้อาารเบตาอธิบายเป็นยังไงคะเผื่อเขาดูการเคลื่อนไหวมือของเขาคืออะไรนะเพราะฉะนั้นผู้เจ้าจะมีสอนภิกษุอยู่ว่าให้เป็นผู้ไม่หลุกหลีกด้วยเท้าไม่หลุกหลีกด้วยมือโยมนั่งหลุกหลีกด้วยมือมั้ยเนี่ยเดี๋ยวนั่งกระดิกเท้าเดกเต็กเด็กเด็กเด็กนี่ยจิตไหวนะ จิตมันไหวโคลงพระุทธเจ้าบอกเลยว่าถ้าจิตไม่ไม่ไหวโคลงกายจะไม่ไหวโคลงโยมก็ดิกมืออยอะจิตไหวโคลงตลอดสั่งการตลอดเลยใช่ไหมอืมจะสั่งการ <c oughs> ให้สมองสั่งการให้ิ้วมือไหว้ <c oughs> นไหวตลอดมันก็คือการคิดถ <c oughs> ูก <c oughs> ไมครัการคิดปรุงถ้ามอง <c oughs> ในในหลักของกายภาคก็คือสมองมทาโยมต้องคิดปรุง พระพุทธเจ้าสอนให้เราหยุดความคิด<ช>มาหยุดมายุดจิตอารมหยุดจิตตสังขารเราตำลังคิดอะไรใช่โยมลองทำให้กายนิ่งสิลองตั้งใจว่าฉันจะไม่ขยับอะไรเลยจะนิ่งตั้งกายให้นิ่งทีงนี้พอยมจะเคลื่อนอมดกัดตะเกาสหน่อยโยมจะคลื่อนอะไรกายเนี่ยป๊บใจต้องสั่งก่อนหมดจใจสั่งทุกอย่างเลย ติดสั่งหมดคนนั้นสังเกตไม่ทันแค่นั้นเองไม่มีเคลื่อนโดยกายไม่ใจไม่สั่งไม่มีพระมหากรปินนันี่เป็นผู้ที่นั่งนิ่งไม่ไหวติงทั้งในที่ท่ามกลางสงฆ์และในที่วิเวกหลีกเล่นผู้เดียวจนเป็นที่เรื่องลือในหมู่ภิกษุภิกษุจึงไปถามพระตาต า, าคตว่าเหตุใดพระมหากรปินนจึงมีตัวนิ่งไม่ไหวติงตลอดเลยครูเจ้าบอกว่า เพราะหมากรปินาเนี่ยจเจริญอานาปานาสิมาเป็นอย่างดีนะจึงทําให้จิตไม่ไหวโครงเมื่อจิตไม่ไหวโครงกายก็ไม่ไหวโครงไม่ใช่พระหมากรปินะนั่งกระดิกนิ้วเลก็ก ๆ, ๆ, ๆตลอดไม่มีไม่เคยมีที่ผู้เจ้าสอนนสารีบุตรนั่งกระดิกนิ้วไปนะโมคะลานะนะนั่งกระดิกเท้าไปเป็นกายยักษ์ตาสติอะไรอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้สอนอิรลียบ ท, ที่จะเป็นลักษณะ ร้ายกันที่ทําให้คนเข้าใจผิดอย่างนี้ก็คือพระองค์บอกว่าการก้าวไปการถอยกลับการเหลียวดูแลดูการคู่แขนการเหยียดแขนการหยิบบาตจีวรสังคติการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการอุจจาระปัสสาวะการมาการไปการหลับการตื่นการพูดการนิ่งอิริยาบถปัจจุบันต่างหากนะเป็นอิริยาบถที่พระเจ้าลงรายละเอียดแค่นี้ไม่ต้องไปกระดกกนิ้วกระดิเท้าอะไร แล้วสั่งห้ามไว้ด้วยไม่ควรทําอย่างนั้นนะเป็นผู้หลุกห ล, ลุกด้วยมือและเท้าห้ามภิกษุทำไม่ดีนะนต้องนิ่งประโยชน์ของการสันสมฟังทำพุทธเจ้าถ้าเราจำพระสูตีได้เราก็พระสูตรนี้ไปใช่ใช่ผู้เจ้าลงละเอียดแค่นี้เยอะอย่าไปลงมากกว่านี้แค่นี้มากพอแล้วผู้เจ้าลงแค่ไหนเอาแค่นั้น เวลา่านปยวเามระวังเสียะการราจะอเรื huh. uh ่องอุเบกานะครับ huh. อ uh ุเบกาอิอ huh. uh ุเบกาอิก็กาอะออ อุเบกขาที่อิงอมิตรจะหมายถึงอุเบกขาอันเกิดจากรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะคือเมื่อมีสัมผัสทางกายตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะแล้วเราเกิดความเฉยเฉขึ้นบุคคลเมื่อภัสสะกระทบแล้วย่อมคิดย่อมนึกย่อมรู้สึกนะเราเกิดความรู้สึกเฉยเฉขึ้นเนี่ยนั่นเป็นอุเบกขาที่อิงอมิตร อืมยมเดินไปห้างเห็นเสื้อตัวหนึ่งนะ <c oughs> สวยนะมองเสื้ อ, อตัวหนึ่งเฉยเฉยไอเฉยเยเนี่ยเ <c oughs> พราะตายเห็นรูปหรือหูฟังเสียงเนี่ยนี่ยเป็นอุเบกขาอันอิงอามิตร <c oughs> หรือเรียกอย่างว่าอุเบกขาอันนึ่งด้ว ย, ยวเย่าเลือนนะกรณีของอุเบกขาที่ไม่อิงอามิตรก็คือ เราเนี่ย <c oughs> ละได้ความอามิตรทั้งหลายได้ก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสคนที่ไม่อดทนต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเป็นบุคคลที่ไม่สมควรจะเข้าสมาธิได้เมื่อยอมอดทนได้ต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วเนี่ยจิตย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิคือละอกุศลได้ นิวรณ์ห้าหรืออกุศลสามอย่างการพยาบาทเบียดเบียนจะเกิดปิติเกิดความสุขเกิดอุเบกขาขึ้นอุเบกขาอันเกิดจากการทําสมาธิตรงนี้จะเรียกว่าอุเบกขาที่ไม่อิงามิตรและอย่างที่สามคืออุเบกขาที่ไม่อิงามิตรยิ่งกว่าไม่อิงอามิตรนะนะอันนี้ก็คือเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วเนี่ยนะจะเกิดปิติเกิดสุขเกิด อุเบกขาที่ไม่อิงอามิตรยิ่งกว่าไม่อิงอามิตรกันทั้งหมดนะอุเบกขาในฌานไม่ใช่แล้อุเบกขาในฌานคืออุเบกขาที่ไม่อิงอามิทนะส่วนอุเบกขาที่ไม่อิงอามิตรยิ่งกว่าไม่อิงอามิตรก็คืออุเบกขาในวิมุตนะก็จะมีสามระดับอย่างนี้ ตัวอยู่ก็คือตัวความตายนั่นแหละนะลองไปดูพระสูตรนี้พระองค์ยืนยันว่าพิกสุทั้งหลายเราแลเป็นผู้ฉลาดในเรื่องโลกนี้ฉลาดในเรื่องโลกอื่นเป็นผู้ฉลาดต่อวัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมารคือความตายนั่นแหละนะมารมีหลายนัยยะนะที่พระองค์ใช้อยู่เนี่ยฉลาดต่อวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมาร พระ อ, องค์ฉลาดต่อที่ที่ไม่มีความตายและที่ที่มีความตายเป็นผู้ฉลาดต่อวัฏฏะอันเป็นที่อยู่ของมฤตยูเห็นไหมวัฏฏะวัฏฏะมานมฤตยูเหมือนกันนะจะแตกลูกธรรมะออกไปให้เห็นได้หลายคำฉลาดต่อวิวัฏฏะอันไม่เป็นที่อยู่ของมฤตยูนะชนเราได้ถือว่าเรื่องนี้ควรฟังควรเชื่อข้อนั้น จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกือ้อกูลเพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นสิ้นกาลนานที่อาตมาให้ดูตรงนี้บ่อยๆก็คือคนที่มักจะเข้าใจผิดในเรื่องของกาละมาสูตรชอบยกกันผิดในข้อที่สิบว่าเฮ้ยพระเจ้ายังไม่ให้เชื่อตถาคตเลยนะแต่พว์ไม่ได้ตัดอย่างนั้นรุ่งตัดสัมโนโนคุรุคืออย่าเชื่อว่าผู้พูดเป็นครูของตนแต่คําตถาคตนะควรเชื่อคนรฟัง ใครคิดว่าคําของพระองค์ควรที่จะคนฟังเนี่ยจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เขาตลอดกาลนานนั้นบางทีเขายกกำลัมาสูตรก็ยกผิดด้วยนะเพราะไม่ได้ศึกษาคําตถาคตพระองค์บอกว่าทั้งโลกนี้และโลกอื่นตถาคตผู้ทราบตีอยู่ได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้วทั้งที่ที่มานไปไม่ถึงคือความตายเนี่ยไปไม่ถึงและที่ที่มฤตยูไปไม่ถึงตถาคตผู้รู้ชัดเข้าใจชัดได้ประกาศไว้ชัดแจ้งแล้ว เพราะความรู้โลกทั้งปวงประตูนครแห่งความไม่ตายตถาคตได้เปิดโลงไว้แล้วเพื่อสัตว์ทั้งหลายเข้าถึงถิ่นอันกเกษมกระแสะแห่งมารผู้มีบาปตถาคตปิดกั้นเสียแล้วกำจัดเสียแล้วทำให้หมดพิษสงแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มากมูล ด, มด้วยปราโมทปราถนารมอันกเกษมจากโยคธาเถิดโยคธาคือเครื่องลอยลัดทำที่กเกษมปราศจากเครื่องลอยลัดเห็นไหม อืคำผู้เจ้าเพราะนะบางทีโยมอ่านไปเนี่ยคำผู้เจ้าเนี่ยโยมนั่งน้ำตาไหลโ ย, ยมลองอ่านพุทธประวัติจากพระโอษฐ์สมัยที่ผู้เจ้าเนี่ยทําทุกขลักกิริยาโอ้โหเศร้ามากนะผู้เจ้าเนี่ยกินอุจจาระปัสสาวะนะนั่งคนเดียวนอนคนเดียวนะกายนี้เปียกแห้งแล้วคนเดียวนะเป็นมุนีผู้ขวนขวายสแสวงหาความสงบอยู่อย่างเนี้ยโออ่านแล้วเศร้านะ่ะ นั่นคำผู้เจ้าไพ่ล้อมากมีความลึกซึ้งคำพวกนี้โยมอ่านปุ๊บเข้าใจได้เลยลวงอ่านพุทธประวัติจากพระโอษฐ์ก่อนง่ายๆฟังประวัติผู้เจ้าพ่อแม่เป็นใครลูกเป็นใครเกิดมายังไงการเกิดขึ้นของตถาคตมีเพราะอะไรมาแก้ปัญหาเรื่องอะไรแก่เจ็บตายน่ะเรื่องอะไรที่ควรรู้อันดับแรกคืออริยสัจการเกิดเป็นมนุษย์นั้นยากนะเปรียบเหมือนน้าท่วมโลกทั้งใบ นะมีเต่าตาบอดร0อปีโผมาทีเจอแอกไม่พายเนี่ยย่าขนาดไหนการเกิดเป็นมนุษย์ย่าขนาดนั้นนะแล้วก็เตือนพวกเราว่าพวกเราก็ได้เป็นมนุษย์แล้วนะผ่านความยากตรงนี้มาตถาคตก็ยังอยู่คําสอนตถาคตก็ยังมีเห็นน ะ, ะก็ให้พึงกระทําโยกกรรมการกระทําอย่างเป็นระบบเพื่อรู้ว่านี่เป็นทุกข์นี่เป็นเหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี่คือความดับทุกข์นี่คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์อย่างนี้เนี่ยโอ้พระองค์เตือนไว้หมดเลย บอกสอนเรียนและออกมานมาถึงอยากให้โยมเนี่ยเสพครบธรรมพระศาสดาให้มากนลองอ่านดูก่อนถ้าเล่นจากพระโอท์นี่ยอ่านง่ายๆเข้าใจง่ายๆอ่านวัลลาน้าวัลลาน่าหรือเอาเล่มเล็กไปอ่านก่อนก็ได้นะออย่างนี้ออนี้สําหรับชาวร้านตลาดเนี่ยจะบอกไม่ค่อยมีเวลาอื่เชื่อฟังรัฐน อือถ้าไม่ท่องสายประจิตจักรเ่ไปสาธยายเป็นชั่วโมงแล้วไปแต่งขึ้นเลยนะเลือกพระสูตรจิเล่ี้ที่ท่านได้นมาแจกอบอันไหนก็ทองอันนั้ท่องอันนั้นแยกแทงลด้วยดีด้วยที่ผิด้วยความเห็นาขึ้นใจอย่างน้อยไม่ไปอบยอย่างน้อยไม่ไปอบายก็จะได้เป็นผู้ดีใช่ใช่ต้องยินึ่ อก็ฟังโดยการดูเพราะว่าหลานเนี่ยมีปัญหาเรื่องหูแต่กานั่งฟังด้วยความสนใจอย่างนี้ควรให้ดูดีบเวลามีเวลาว่างอย่องนีถึงเขามีสัญญาและใจใช่ใช่ใช่จะได้เก็บไปไงดังนั้นภาษาต่างๆที่เขากระทบเขาเนี่ยเขาจะบันทึกบันทึกเข้าไปเข้าไปเรื่จะทรงจำนะ นี้รอบภาษารอบขัานก็มีแต่พุทธพจนะรอบมันก็จะเสพครบธรรมะเสพครบภาษาที่ที่ดีงามเข้าไปนะน่าจะเป็นประโยชน์ใครรจจจะะู้าอช่ใช่ใช่เราฟังไม่ได้มากกว่าเราที่ได้ยินเสียงใช่ต้องมาถึงกลางอ่าฮะอ่าฮะอืมเอ่าหมดคำถามแล้วมั้งเนาะ มีจะได้เวลาว่างอ่า อ, อาจารย์ฮะเอ่ออยากอยา ก, อยากให้อาจารย์สอนเรื่องคือผมเพิ่งมาเป็นครั้งแรกอะฮะอยากให้อาจารย์สอนเรื่องการมีสติการรู้ตัวอยู่กะบลมในชีวิตประจําวันนะฮะเพื่อเผื่อจะนำไปใช้ในชีวิตประจําวันนะฮะคือ ปกติคนเราเนี่ยจิตจะหลุดไปคิดตลอดนะเยอะนะหน้าที่ของโยงคือนึกถึงลมหายใจเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็ได้นึกถึงลมปึ๊บนึกถึงลมหายใจสูดเข้าปล่อยออกธรรมดาอยู่กับลมหายใจนะจะเดินจะนั่งโต๊ะทํางานจะนั่งกินข้าวก่อนกินข้าวนึกถึงลมหายใจนะอืพระเจ้าให้ทําสมาธิวันละสามหนชาวร้านตลาดนะเช้ า, ชากลางวันเย็น เช้าห้านาทีกลางวันห้านาทีเย็นห้านาทีใช่ไหมยมตื่นขึ้นมาไม่ต้องทำอะไรนั่งรู้ลมหายใจเข้าออกนะสูดลมเข้าลมออกแค่นั้นเองห้านาทีปั๊บไปทำอะไรก็ทาไปกลางวันนึกได้อีกรอบนะอวันนี้ยังไม่ได้ดูลมหายใจเลยเอาสันหน่อยอนั่งที่โต๊ะทำงานรู้ลมหายใจเข้าออสมมติยมสูดหายใจทีเดียวนี่สูดเข้าปล่อยออก ยัไม่ได้คิดอะไรรู้สึกได้ถึงลมที่ไหลเข้าปล่อยออกแค่เนี้พอพระพุทธเจ้าบอกถ้าเธอรู้ลมหายใจแค่เวลาเนี่ยเอานิ้วมือมาลัดแค่ช่วงเวลารัดนิ้วมือบอกถ้าภิกษุจเจริญอานาปานสติแม้ช่วการเพิงรัดนิ้วมือเรากล่าวว่าเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทําตามคําสอนของพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาท ไม่ฉันบินธปัดของชาวแว่นแคว้นเปล่าจะป่วยกล่าวปลยายถึงเมื่อกระทำให้มากซึ่งอาณาปานสตินั้นเรานั่นคือยิ่งมากยิ่งดีแต่น้อยๆขอลัดนิ้วมือง่ายไหมผู้เจ้าสอนง่ายมากเลยไม่มีการพูดเพ้อเจ้อเด็ดขาดพูดเรื่องจริงเรื่องแท้ไม่ห่างจากฌานแล้วนะกำลังได้ฌานแล้วนะเธอทาตามคาสอนศาสาแล้วนะปฏิบัติตามโอวาแล้วเนี่ยรู้ลมหายใจแค่ลัดนิ้วมือ วันละสามรอบนะอย่าลืมทำํำนะเช้าห้านาทีเย็นกลางวันห้านาทีเย็นห้านาทียนนทยมลงทํานี่สติโยมจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นแล้วยอมก็พยายามทําให้ต่อเนื่องมากขึ้นเพราะอะไรเพราะพระองค์บอกว่าจะป่วยกล่าวไปรยัยถึงผู้กระทําให้มากซึ่งอน า, านาปานะสติยิ่งมากยิ่งดีเห็นไหมเอาใจมาอยู่กับลมนะ อย่าไปบังทับลมให้สั้นให้ยาวให้เบ า, ใ ห, เบาให้แรงอะไรเนาะปล่อยลมเป็นธรรมชาติพระเจ้าเปรียบเหมือนอุปมาเปรียบเหมือนจับนกด้วยมือบีแปลงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือต้องต้องจับพอดีแล้วมาเลดินคุกคิกคุกคโยมบีแปลงนกก็ตายจับหลวมนกก็หลุดวางจิตพอดีพอดีสบายๆรู้ลมก้าวลมออกนะอาจางั้นขอโอกาส จบลงด้วยการอนาปาณสติห้านาทีได้ไ้ยเจ้าได้ได้ได้ได้งั้นเรามาเจริญอนาปาณสติกันนิดหนึ่งนะ <c oughs> เอาเลยรับนิ้วมือสะสี่นาทีนะ เคลื่อนออกไปก็ให้ละความเพลินแล้วกลับมารู้ลมหายใจเหมือนเดิม ก่อนลอกจิตสมาธิก็ให้ทั้งจิตไปไม่ตายแกสพัพสัตต์ตั้งหลาย สมาธิมา <c oughs> มก็ขออนุโ ม, มทนากับพวกเราทุกคนนะที่ได้สลัเวลากันมาสั่งสมสุดตาในคำรรพระตาคดนะก็ขอให้ทุกคนเป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าในธรรมะของพระตาคตให้มีความเจริญก้าวหน้านะในชีวิตคิดหวังสิ่งใดสําเร็จสมความพัฒนาที่สุดแล้าได้ดวงตาเห็นต่ำ สำเร็จมรรคผลนิพพานในนาปัส ก, การานใกล้โดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเตือน